อะไรเวลาตามสิ่งที่ผูร้รอท่านทั้งหลายต่างที่กำหนดกันเป็นที่ทราบกันนั่นล่ะฝากเช้าก็มีตื่นตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ แต่ละสัดแต่ละส่วนองค์กรของพวกเราเป็นองค์กรมหาชนทีโอทียิ่งกว่านั้นเกิยังมาเปิดกว้างให้สมกับคำว่ามหาชนเป็นที่รองรับพระองค์สถานที่พวกเรามีความเพียบพร้อมประมาณหนึ่ง เบื้องต้นอาจจะคิดเพื่อผู้ปฏิบัติงานคือเจ้าหน้าที่จากนั้นก็วงกว้างออกไปเป็นสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ประโยชน์มากมายมหาศาลมากเปิดเวทีให้โปรชา พ, พุทธพุทธรบริษัทต่างมาชุมนุมเพียบพร้อมอย่างสถานที่ของโปรท่านทั้งหลายเวลานี้ มันก็เป็นการสำเร็จขีดเป็นเบื้องต้นอย่างเปะหนึ่งก็คือตอนช้าภาคช้าถวายอาหารบิณฑ บ, บาตอย่าคิดว่าเป็นเครื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตอาสารมากเพราะเป็นกระบวนการสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าเป็นประเพณีงานดีงานยิ่งกว่านั้นก็ หรือวัาเป็นอริยประเพณีเป็นประเพณีของคู่มีความเป็นเลิศออกจากพ<ม>ระยานอย่างทราบนี่ว่าพระทศพรรยาของพระบรมศาสดาพระองค์ท่านกาหนดดูประเพณีอันดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกๆพระองค์พระองค์ท่านเหล่านั้นพระองค์ท่านเหล่านั้นที่ผ่านไป รลวงมาก่อนนั้นพระองค์ท่านเหล่านั้นทําอย่างไรก็ไม่พ้นทําพัฒกิจก็คือมาสงฆ์ข้อสองฆ์เจอจานยืดยุดฉุดกชากลากกันอย่างนี้แหละอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายทําเวลานี้แหละนั่นีืกว่าท่านะปิณฑปาตะ อ, อาหารวินทบาตมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องกันลงพระธรรมวินยัยพูกเราทนทั้งหลายยังมาได้โอกาสสดับเรัาฟังภาคเที่ยง ถึงวันนี้วาระนี้วันที่สิบเอ็ดมกรา<ม>ก็เป็นที่ทราบันดีว่าพวกเราจะเอาิทีปีใหม่ยังเกียงก็เป็นเรื่องยากเพราะคนหมู่มากแต่ก็ได้กะเกณเอาความปรินอาของวันปีใหม่มากำหนดขึ้นมาวัด เป็นว า, วาระวาระวาระนี้ก็ถือสวัสเป็นร่วมทําบุญปีใหม่สําหรับองค์กรของพวกเราท่านทั้งหลายคือทีโอทีเป็นสถานที่กลางเบทีกลางให้มหาชนทั่วไปมาทําบุญถวายอ่านบิณฑบาตแก่พระเจ้าพระสงฆ์ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายทราบกันตะกี้นี่แหละลักษณะาวากิริยากานจากนั้นก็มาบุตษบาทเสียสระเสียสนละ ความเป็นปกติตามความเคยชินเคยเป็นยกทาบุญยกทาทานท่านจาคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะฟรีอยู่เสมอมีธุระทุรังภาระจะมากจะน้อยก็เป็นภาระของแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความยกมยกออกจากพันธนาการ ปลดเปลื่องพันธะอาการที่เป็นพันธานาการโดนผูกมัดเราเป็นผู้ผูกมัดเจ้าของเสเองด้วยอความห่วงหาอะไรเราจะปลดเปลื้องพันธานาการของเจ้าของด้วยคําว่ายกทําบุญยกทําฐานทานาจารค่ะผู้เราท่า น, ะนั้งหลายได้มาสู่สถานที่แห่ง น, นี้เวลานี้มาด้วยกิริยาการขงังวัดเสียสละเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิริยาการเบื้องต้นจากนั้นก็เป็นที่ อย่างที่ว่าตะกีนนี้นพรห ม, มาจลกาทิปติสาหัมปฏิกัตอันเจรียนทิวลังอ้างเอาถึงพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์นุ่นมาเป็นเครื่องตาเป็นสกีพยานในทางธรรมสมณกาลโลการสมควรที่จะสดับตรัฟังพระธรรมเทศนาสวาขาโตพระกวาัาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีละ ดีทั้งเหตุทั้งผลดีทุกสับ ท, ทุกส่วนเบื้องต้นท่ามกลางหรือบรรปลายมีแต่ความเหมาะสมที่จะปลดเปล่องพันธนาการเอาสิ่งที่มันผูกมัดของพระท่านทั้งหลายมันจะเลือกตื้นยาบละเอียดไม่ถือเป็นสาระสําคัญมันไม่นอกเหนือไปจากความรู้ของจิตของใจถ้าเราเปิดจิตเปิดใจมารับทราบรับ ร, บ ร, บรู้คอยสระับฟังเรื่องราวของ พระว่าดคําสอนอนจอมปราดท่านประธานเป็นพระว่าดไว้ตกถึงยุรุ่นของพวกเราก็มีพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาจารย์มาสนทนาว่าการเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาของที่มันจะลึกลับซับซ้อนอยู่ไกลขนาดไหนพลิกขึ้นม า, มาให้มันอยู่ใกล้จะยาขึ้นมาให้มันขนาดไหนจะละเอียดขนาดไหนมาสําคัญสําคัญเหมาะสมสําหรับความรู้เพื่อจิตเพื่อใจเพื่อที่จะมาชําระชัล้างสิ่งที่มันเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราก็คือต่อธรรมไม่พ้นเปนเรื่องของกิเลส <c oughs> จากนี้พากันตั้งใจฟังนะโมตัสสะภควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เอาวางมือลงได้นั่งเรียบทสบสบายของแต่ละท่านแต่ละคนฟังธรรมโดยเฉศษธรรมบพระกรรมฐานธรรมบภาคปฏิบัติเราก็สมควรที่จะต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาปรุงเรื่องปรุงเรื่องคิดให้เป็นเรื่องของผู้พูดสําหรับผู้ฟังก็คือมีสติรักษาใจประคองที่จิตที่จ่ายกําหนด มีอนุสติเป็นเครื่องกำกับจิตกําจัดกํากับที่จิตที่ใจของเจ้าของเอาความถนัดชำนิชำนาญของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เท่ากันสติก็มีอยู่ก็คือความรู้ของจิตซึ่งเป็นปฏิบัติหนจิตก็คือสติแต่มันไม่ชินมันไม่เคยถึงว่าเอาความเป็นสองประโยชน์ความเป็นเลิศก็คือเป็นหนึ่งแต่มันเป็นหนึ่งยากจมต้องใช้อัศ กับปริยาการอย่างหนึ่งคือเป็นสองไว้ก่อนเบื้องต้นการฝึกตผลอบรมเจ้าของก็คืออนุสติจะเอาอะไรก็ได้ที่มันถนัดเจ้าของถนัดวิชาการใดอานาปานาสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกซึ่งก็มีอยู่แล้วลมให้ใจเป็นของฟรีเป็นของที่มีอยู่ประจำธาตุขันไม่ต้องไปอุตริอุปโลกอะไรมันขึ้นมามันมีลมให้ใจเข้าและออกอยู่เป็นปกติวิสัยของคนเป็น เพราะฉะนั้นเราก็สติไปกำกับลมไม่ใจเข้าและออกนี่ว่าอศาสาสะปัสสาสะอาการอย่างนี้มีแม้แต่แตบริการมละแม้แต่พระองค์ท่านวันที่พระองค์ท่านจะตรัสรู้เป็นพระอนุตรสสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทั้งหลายได้กลา่าวว่าเลือกนึกถึงพระองค์ท่านคําว่าพุทธังสารนังคัจฉามีพระองค์ท่านก็เบื้องต้นก็อาศัยคําว่าอนุตสตินี้อย่างที่พวกเรามีอยู่เวลานี้ ก็คือกำหนดลมหายใจเข้าออกอาณาปานสติแต่มีสติสำทับเข้ากำกับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไม่ปล่อยให้มันปล่อยไปตามกิริยาการของมันเฉยๆมีกิริยามีความจงใจเจาะ จ, จงเจตนาจงใจให้มัมีความละเอียดชัดเจนขึ้นมาก็คือกำสำทับกำกับเข้าไปด้วยสติหายใจเข้าก็เห็นรู้ว่าหายใจเข้า มันเข้าไม่ชัดเอากำกับให้มันยาวๆเพ่งพิสพิเคราะห์ดูจริงๆจะเห็นลมหายใจเข้าสัมผัสตรงไหนไม่พ้นที่มันสัมผัสสัมผัสชัดเจนก็คือส่วนมากก็คือปลายจมกูกหาจะเข้าก็สัมผัสตรงนั้นก็ไม่ต้องไปตามลงไปถึงไหนมันจะไปถึงไหนมันก็เป็นระบบสรีระของคนไม่เลยถึงไหนหรอกสุด สายถามก็กลับมันก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกกำกับสติด้วยอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวอยู่างนั้นนั่นเรียกว่าปัจจุบันนจิตควบคุมด้วยปัจจุบันนจิตควบคุมเรื่องปัจจุบันนากายก็คือลมใจเข้าและออกให้มันรู้เข้าแล้วออกอย่างนั้นนั่นละลักษณะการบังคับเจ้าของท่านว่าเป็นผู้ฝึกตน พระองค์ท่านดีวันนั้นวาระนั้นก็ดีรื่ ด, ด้วยวิชาวความรู้ประเภทนี้ก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ไม่ทราบหรอกเพราะยังไม่ได้เป็นพระเจ้าเนี่ยก็เป็นสัตว์โลกอย่างหนึ่งแต่พระองค์ท่านเป็นผู้เลิศก็คือโพธิสัตตร์อย่างน้นอยๆพระองค์ก็ไม่ออดันทุลังเกิดมอกวนธรรมดาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นกัน พระองค์ท่านสวยพระชาตินั้นนั้นาเรียกว่าพระโพธิสัตว์จนกระทั่งถึงกลั่นมาเป็นพระบรมโพธิสัตว์ถึงจะเป็นสัตว์ผู้เวียนไว่ายตายเกิดบกวนขนาดไหนก็วกวนไปตามความรู้ก็คือโพธิยังมีกลิ่นอายของความรู้ไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปคือปุถุชนเป็นผู้วกวนเวียนไว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดแล้วตายต า, ายแล้วเกิดแต่ไม่ทราบเบื้งองต้นท่ามกลางและบั้นปลายมีแต่ความมักมากทยานอยาก รู้ทั้งรู้ว่าทุกแต่ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุที่ไปที่มาแห่งทุกอย่างที่พระราชาท่านทั้งหลายเป็นกันเวลานี้วาระนี้มีความรู้ประเภทเดียวกันคือคือจิตคือคือท่งความรู้แต่เวลานี้วาระนี้มันรู้แบบลุ่มลุๆๆๆๆ่มดอนดอนลุ่มลุ่มหลงหลงมันไม่รู้จริงตามความเป็นจริงเพราะขาดคําว่าสติขาดคําว่าปรราัญญาปัญญาเป็ว่าความแยบคายของจิตแยบคายไปเพื่อรู้ความเป็นจริงของสั์สังขาร แต่เวลานี้มันไม่รู้เอาซะเลยมันรู้เข้าข้างจากของรู้ข้างๆขงรุครูรู้แบบเห็นเกิดแต่ตัวรู้ตามความเป็นที่มันเสี่ยงสองคือไม่ผลนต้องเป็นอคติคติความเป็นจริงมีอยู่ตามความจริงแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมเอาความจริงมาประพฤติจิตใจเจตใหญ่ผู้รู้พร้อมที่จะรู้รู้เพื่อความผ่อนคลายปล่อยวางปลงวางพันธนาการได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีธรรมชาติหนึ่งก็คือ เจ้านายของพระตัดสงสารก็กิเลสภาษาธรรมทั้งหมดกิเลสอาสะวะทั้งหลายก็คือการ ม, มาสะวะพระวาสะวะอาสะวะก็คือหมกมุ่นวุ่นวายในกามาขุนกามาโทษมันมีแต่โทษโทษหนักโทษเบามันอยู่ที่โลาะต่ออํานาจของโทษนั้นๆถ้าใครมีสติมีปัญญาแก่กล้าสามารถพอที่จะต้านทันเฟื่ฝ่าฝืนต้ า, านทันอดทนกับมันได้บ้าง อย่างน้อยๆก็ฝ่าฝืนต้านทานอดทน ม, มันจะไม่ได้กําเริบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนค่าศึกัตรูเวลาขึ้นเวทีชกกับคู่แข่งขันเขาไม่ได้ชกแบบอ่ อ, อ, อมๆมือเนี่ยเพราะความจริงก็คือทรามากอาจทาขึ้นเวทีกิจ เวทีจิตเวทีใจมีกิเลสหน้าไหน อ, อม อ, อมมือ hmm. เห็นแต่มันโศกาดุนร้องโหมร้องไห้ไม่ได้ดังใจพกโทมนัดปายาสะเห็นไหมล่ะน้ำตานองหน้าพบชาติทุกพบทุกชาติมีแต่เรื่องกลุ่มรุมไปด้วยความไม่ถูกใจไม่พอใจ hmm. มีแต่ความทะเยอทะยาน ถ้าเหยื่ ท, ย, ทยานอยากยากไม่รู้เหตุรู้ผลอยากไม่รู้พอประมาณตนอยากไม่รู้เมืองพอมืองหาความพอประมาณไม่ได้เพราะความเหยื่อทยานความทยานอยากดูที่จิตที่ใจของเจ้าของวันวันมันมีแต่เรื่องเหล่านี้มาผลิต ผ, ผลิดอกออกผลขึ้นมาจากต้นชนปลายไม่ถูกมีแต่เรื่องเพื่อรักเพื่อชังเรื่องรักเรื่องชังผลสุดท้ายมันกลับไป สนับสนุนต้นทุนเดิมกว่าคืองความหลงแรงผลิตโรงงานผลิตความรักความชังออกมาจากความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงภาษัธรรมทางวัตหลงแต่มันไม่ได้โง่นะความหลงเนะ่ยมันฉลาดฉลาดหลักแหลมเกินสติกปัญญาของเรามากมันครอบงำสติปัญญาของเราอยู่หมดัด เม็ดเมือดเม็ดปิดทวารปิดจิตปิดใจเพราะจิตใจไม่เคยโผล่ขึ้นมาสู่แสงอับแสงธรรมแต่ให้เชื่อเถอว่านั่นเป็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือสมุทัยอริยสัจจแต่มันไม่เหนืออำนาจแห่งธรรมะอันเป็นโอวัคค์ำสองของจอมปราดนักปราดท่านสอนว่าอย่างนั้นเราไม่ได้เก่งก็ยกธรรมะมาเป็นเครื่องดำเนินวิธีปฏิบัติวิธีประพฤติวิธีดำเนินวิธีแก้ไขสะอนเจ้าของก็ยก สติธรรมขึ้นมายกขึ้นมาเดียวนี้ก็เป็นสติธรรมเดียวนี้ถึงยังจะไม่เป็นความเลิอดเพราะการฝึกฝนอบรมการกระทําการข้าวเดินมันไม่ถึงที่สุดบั้นปลายเบื้องต้นขอให้มีการข้าวเดินแท่จะยังไม่ได้รับผลอันเป็นเลิอดเพราะถ้าศึกัตรูตอกทําก็คืออาธรรมอธรรมก็ไม่ใช่ขี้มูราขี้มาแองนี่เขาก็มี หลักการของของมอนกันสมุทยาอริยสัจจังธุระเขามีอย่างเดียวมีหน้าเดียวธุระเขามีอย่างเดียวก็คือมัดหัวใจของเราติดกับกองทุกจะทุกมากทุกน้อยเราก็ไม่รู้ล่ะรู้ตั้งแต่ว่าเราทุกเห็นัหยล่ะ หรือใครไม่รู้อืมเราทกเราทุ ก, ทกตัวกูของกูมีแต่เรื่องทกทกมากทกน้อยอยู่ที่โง่หรือฉลาดโรงงานผลิตทุ ก, ก็คือความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงท่านทั้งสอนเอาธรรมะมายกขึ้นมาประดับจิตจิตที่ใจโดยมีสติเป็นผู้กํากับงานถึงว่ามาสู่สํานักของธรรมัตสวรรคาหล่อเวลานี้ เวลานี้เรานั่งทับกองทุกยืนเดินนั่งนอนก็นเป็นเครื่องปิดกั้นความทุกกองทุกทิศหน้ารู้ที่สุดก็คือธาตุขันของมนุษย์เราเนี่ยแหละจะหญิงก็ตามจะชายก็ตามมันไม่รู้หรอกว่าเป็นหญิงเป็นชายพวกเราต่างมาอุปโลกก็เป็นหญิงบ้างเป็ชายบ้าง แต่ความจริงธรรมะท่านไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นสตัตว์โลกทั้งหลายมีมาแล้วว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ก็คือสมมติบัญญัติว่าเป็นมนุษย์จริงอยู่ก็ไม่ได้เถียงหล่ะนี่คือคนนี่คือมนุษย์หญิงชายนักบวชครวตก็เป็นเรื่องนั้นหรือเรื่องนั้นจริงจริงแต่เป็นวาระของสมบัติสมมติ แต่ความเป็นจริงตามความจริงของธรรมะว่ากันจริงๆแล้วจะไม่มีสิ่งที่เราเห็นอย่างนั้นท่านถึงว่าพวกเราเห็นผิดเห็นผิดไปจากคลองคลองธรรมเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นงูเป็นปลามันไม่ได้เห็นจริงตามความเป็นจริงพวกเราถึงว่ามีปัญหากบความเห็นอจะของถึงว่าเอาวิชาธรรมะมาเป็นเครื่องแก้มันมัดหัวใจของเราติด การกองทุกเวลานี้ทุกมันอยู่ที่ธาตุที่ขันทุกมันอยู่ที่โลกทุกมันอยู่ที่สะพรางร่างกายกองธาตุกองขันเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ที่กองธาตุธาตุเขาก็ว่าธาตุมีอะไรบ้างก่อนนิดน้ำลมไฟธาตุสี่ธาตุสี่ธาตุหกก็คือธาตุธาตุผสมพวกเราก็เข้าใจวัตดินกับมันเป็นยังไง พอเท่าเขาคิดว่าร่างกายของเราเป็นดินก็เลยหมายก็ว่าดินแบบข้างนอกอืมดินเหนียวดินทรายดินร่วนดินร่วนปนทรายแต่ร่างกายของเราเป็นอที่ทํานักธรรมะวิชาธรรมะภาษาธรรมะธรรมะส่วนที่เป็นหยาบหยาบแข็งแข็งในสพังร่างกายนี้ทธรว่าเป็นธาตุดินพวกเราไม่เอาสติปัญญาไปตรวจตราดูมันก็เลยไม่เห็นเป็นดินดินมัต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมนันก็เลยเขา้า ใจผิดสำคัญผิดมาตั้งแต่ต้นพวกเรานี่ยตั้งสมุทฐานมาผิดมันหลอกเราหลายต่อหลายอาการพวกเราโดนหลอกมาตั้งแต่ต้นทำมาธนวัฒนธาตุา ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสำมะวัฒน์ของพ่อของแม่ธาตุดั้งเดิมของคนก็คือธาตุดินธาตุน้ําอืมดูย้อนกลับไปดูพินิษฐ์พิคอน ด, ดูด้วยสติด้วยปัญญากลับไปดูต้น ทางความเป็นเรานั่งอยู่เวลานี้มาจากไหนย้อนกลับไปคนเกิดกี่ปีย้อนกลับไปถึงวาระนั้นวันนั้นถึงจะไม่เห็นชัดก็อนุมานไปตามความเชื่อเพราะมีศรัทธามีศาสนาสอนพระบรมศาสดามาสอนเรื่องเหล่านี้นี่ไม่ใช่บา้ามาอุบลโขขึ้นมาเฉยๆนี่พ่อแม่สมสู่กันมีดินและน้ำบางผสมกัน จากนั้นาธาตุของแม่มาทำหน้าที่ต่อนั่นเป็นเรื่องของโลกล้วนๆแต่มันเป็นวิธีการของสังสา ร, สสารวัตรเขาออกแบบมาอย่างนั้นจากนั้นม า, าธาตุของแม่เที่ยวกลายเป็นก๊าซน้ามันหยดหนึ่งนั่นเป็นสมุฐานเป็นฐานนักทิศท่งของสัตสัตสตะแปลว่าพวกเกี่ยวข้องพูกข้องขาสาต์จริงๆก็คือ มโนธาตุมโนธาตุสัญจรมาหาที่สร้างบารมีหนาะไม่ใช่มาอยากจะมาเกิดอะไรนักหนามันบกพร่องอยู่ธรรมชาติของจิตมันบกพร่องมันยังไม่ฉลาดพอยังไม่ขึ้นฝัง่งยังไม่อิ่มต้องเสาะแสวงหาทางออกจากทุกเป็นธรรมชาติของอ วิถีของจิตจะเป็นอย่างนั้น mm. มาจากไหนมาจากต้นทุนของบุญกุศลนั่นะในขณะเดยียวกันอ ก, กุศลมันกติดมาด้วยถึงว่าจรนมามาเจอคู่กรณีเจอพ่อแม่คู่นั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโลกกันถึงว่ามายึดเหนี่ยวเกาะกลุ่มอุปทานยึดมั่นในกลละนั้น mm. พอมีจิตวิ ญ, ญญาณมาถือครองแม่ก็ขับเชื่อต่อทาหน้าที่ต่อถ้าไม่มีจิตวิ ญ, ญญาณมาถือครองในคืนนั้น ธาตุของแม่จะขับออกมาเป็นรอบเดือนคิดดูสิการเกิดมาเป็นคนไหนล่ะคนนั่นสภาวะธาตุเขาผสมกันเป็นธาตุดินธาตุน้าจากนั้นมากระบวนการมีจิตมาใจมีจิตวิญญาณมาถือครองธาตุลมธาตุไฟถึงกว่าเป็นธาตุอาศัยมาที่หลังนี่ว่ามาประกอบเป็นธาตุสี่สมกับคำว่าฐานะที่ตั้งของคําว่ามนุษย์โลกคือคนนั่นละ่ะต้องครบสมบูรณ์ด้วยธาตุสี่ อากับกริยามีขันอ้ามาประกอบกันขึ้นมาอีกจากนั้นมามีอาจาะมีอินทร์สี่มีพัฒนาการมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นคนคลอดออกมาแล้วก็กินอะไรกินเลือดในอกของแม่ผู้เป็นพ่อทาหน้าที่หนักหนาสาหัสหาข้าวปราอาหารมาดูแลครอบครัวท่านว่าเป็นพระคุณหนักหนาสาหัสมากเพราะจิตใจมีอะไร มาถือครองอย่างนั้นก็เวียนไหวถตาเกิดทุกผู้ทุกนามจะเป็นอย่างนั้นนั่นเลยว่ามนุษย์เกิดในขันศาสตร์เดชฐานก็เกิดแบบนั้นโอปติกะแบบนั้นแบบเปรตเหมือแตบบผีเหมือนเทวราเหมือนอินพรมยมยักษ์เดืในเมือกตมนั่นเลยว่าจตุ ป, ปัตยานที่พระองค์ท่านทราบชัดวาระนั้นก็ทราบชัดเรื่องความเวียนไหวใจเกิดของสรรพสสารสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้น แต่พวกเราท่านทั้งหลายสายทางก็เกิดมาอย่างนั้นแต่เวลานี้มันไม่ได้บินแค่นั้นมีแค่นั้นมันเป็นแค่นั้นมันก็ชอบมันเทาเบาหวานอะแต่ผลจากนั้นเป็นอย่างไรคราบนี้่ชาบท่าด้วยโมหะจิตมีโมหะเป็นที่ตั้ง <c oughs> เพราะมันหมหะอยู่ที่จิตที่ใจ <c oughs> เกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความมาประ ค, รบระ ค, ระครับประคองปกคบปมงหมอมขอดูแลรักษาคอยขจัดป่าเป่า เป็นทุระขจัดทุรีอันมีอืมเกี่ยวข้องพัวพันในอาการทั้งกายทั้งใจกายมันก็เป็นพมันอย่างนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งมันไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้อยู่ที่จิตที่ใจปัญหามันอยู่ที่จิตที่ใจคือมโนธาตุแต่มโนธาตุคือจิตคือใจก็เป็นธาตุที่พร้อมที่จะรู้แต่มันไม่เอาความรู้จริงตามความยึงมาใส่มันเอาความรู้ตามสัมพันธ์มันหมายตามสิ่งที่มันเคยชิ่น ก็ไม่พ้นเรื่องราคคินาโทสักคินานั่นมายาของโลกมันจะเป็นอย่างนั้นรักส่วนหนึ่งชังส่วนหนึ่งแต่ความจริงของโลกเขามีต้อนรับอะไรบ้างล่ะเขามีสุขสมบัติอะไรนักหนาเขามีความเป็นจริงของโลกคืออะไรสิ่งที่ประคับประคองสัตว์โลกอยู่เวลานี้เป็นอารมณ์ของโลกมีอะไรบ้างท่านว่าโลกกรอืม ลาบยศสรนเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่นยศนินทาทุกนั่นเป็นธรรมประจำโลกซึ่งพราท่านหลายมรสโพสพบเห็นสิ่งเหล่านี้มาประจำชีวิตไม่รู้ว่ากี่ตลกทบทวนไม่ถูกเจอแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอยู่ทวายิบไหนก็เป็นอย่างเดียวกันทําไมไม่เฉลียวใจบ้างเหรอือทําไมเป็นเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันรักในส่วนที่ควรรักชังในส่วนที่ควรชังทําไมเป็นเหมือนกันเพราะกิเลสมันเป็นสากลต ในขนาาณะเดียวกันธรรมะก็เป็นสากลเป็นธรรมะสากลกิเลสสากลไม่เลือกชาติชั้นวรรณะฐานอาฐานะไม่สําคัญสําคัญคือคือประสบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกลียดปวดไม่ชอบชอบในสิ่งที่เขชอบจนทั้งโลกไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ชอบกันทั้งโลกอืมราบยศสนเสริญพรพนอพระนอ พ, นพไิ ไ, ไลพิไลลำพันอยู่นั่นล่ะสนเสริญ รู้ทั้งรูว่าเขาประจบประแจสงสรรเสริญเราความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเขามายกยอปอปั้นเพื่อเพราะเราเราก็ยังอสะอาดดีใหญ่คิดดูสิชอบหมดทั้งนั้นล่ะอืมส่วนที่ไม่ชอบเป็นไงล่ะเขามาพูดความจริงด้วยซ้ําไปาว่าเขานินถา่าแต่ความจริงของเป็นอย่างนั้นล่ะนี้มันไม่ชอบนะ่ะพอไม่ชอบพอชอบเป็นไงล่ะว่านไอวอยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ ความอยากความไม่อยากมันทกใหม่มันเร่าร้อนใหม่ตอนนั้นแล้วทำไมไม่ทราบทาไมไม่รู้ทำไมไม่ดูจะให้ใครมาประกาศจีธรรมะใครจะมีเวลามาประกาศว่านักหนาเราต้องสอนเก็บไปคิดเก็บไปเสียมสอนเจ้าของบ้างมาดูความเป็นจริงดูความเป็นจริงมันก็มีอยู่อย่างนี้เวลาเราไม่รู้จริงตามความจริงจะต้องไปทำการบ้านอยู่แล้วเราหาข้อยุติ สิ้นสุดไม่มีทางจะสิ้นสุดโดยความเกิดบ่อยตายบ่อยอเกิดล้านครั้งพันหนก็ไม่ได้สิ้นสุดยุติเพราะการเกิดแล้วแล้วะเล่าปัญหามันยุติตรงความรู้ตราบใดที่ยังไม่มีความรู้ก็จะยืดเยื้อยาวนานไปเป็นชั่วกระปวราสารหาข้อยุติไม่ได้ อนเนกาชาติสร้างสร้างรางาังสร้างทวีสร้างดิบสร้างที่พระองค์ท่านออกมาตรัสวันวาระที่แรกๆที่พระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสเรื่องนี้แล้วเรื่องความน่าสลดพระไทยในของความเป็นไปของเจ้าของเอพ บ, พ, บพบแล้วพบแล้วพบแล้วพบอีกขึ้นสูงลงต่ำขึ้นเขาลงห้วยอนเนกาชาติหาข้อสิ้นสุดยุติไม่เจอปันเป็นอย่างนั้นแหละสภัสัตว์มีพระองค์ท่านเป็นประธานเป็นเหมือนกันกษัตริย์ทั่วไปแต่พระองค์ท่านมารู่นั่นไม่ล่ะ รู้อะไรรู้ว่าในช่างที่มันก่อภพก่อชาติก็คือกิเลสนาสะวะพระองค์ท่านตัดแข้งตัดขาหัากแข้งอักขาทำลายทำลายกองจักรของมันกลายเป็นธรรมจักรมมันเส้นสุจุติพพชาติเส้นสุจุติเพราะความรู้ในขณะที่มันหลงก็เป็นอย่างนั้นลแหละมมันผ่อนคลายตรงไหนมันหยบิบยื่นอะไรให้พระองค์ท่านอกระรังไปสั้นตัวดุฆาชาติภูนะภูานางทุกแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเกิดจาก สวชพระชาติในชาตินั้ น, น, นรสชาติของความเวียนว่ายแต่เกิดมีอะไรเป็นรสชาติโคกท่านว่าอย่างนั้นทุกข์หาประมาณไม่ได้เหมือนกันนะ่ะทุกข์ข้าชาติปุณปุ น, งนางคณะนาไม่ถูกว่าทุกข์ขนาดไหนทุกเท่าไหร่อือันนี้ก็ชาติเกิดขึ้นมาเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัจนี้รสชาติของมันมีทุกแล้วมันต่างอะไรจากเราวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งตายกี่คนมันเกิดดับเกิดดับเพราะสมธามประภิืม แต่พวกเไม่ทราบเขาเราคิดว่านุ่น ون, เกิดตายนุ่นคือาใจว่าเกิดเข้าใจว่าตายอันนั้นมันหยาบเกินไปภาวะหนึ่งภาวะหนึ่งตกผลึกมาครั้งหนึ่งก็ทุกครั้งหนึ่งเรื่องเดียวซัมสักจำเจกี่ครั้งกี่ผลแต่ละวันแต่ละคืนกว่าจะเมื่อจกข่ํากว่าจะได้หลับนอนพักผ่อนมันเกิดกี่ครั้งทุกกี่ผลเกิดแล้วแล้วเกิดขึ้นมาทีไรทุก ทรมนอุปายาสะเหียวแง่งตรอมใจไม่เป็นด่งใจไม่เป็นอย่างปรารถนาก็จะเอาอะไรมาให้สมปรารถนาเพราะมันปรารถนาแบบไม่สมเอิดสมผลไม่มีเอิดมีผลเพราะเราอยากประเภทนั่นด้านอยากกระทั่งสิ่งที่เป็นไปแด้ก็ยังดันทุเรำอยากอืมเกิดแล้วไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายนั่นเหนไหมเวลาพวกเรามันพวกขวางโลกขวางธรรมอยากแล้วมันเป็นอย่างใจไหมล่ะก็ไม่เป็นอย่างใจไปอยากให้มันได้ท่าทําไม เอาความจริงมารู้สิความจริงมารู้ว่ามีใครเกิดใครตาย ม, มันไม่ได้เกิดไม่ได้ตายตั้งแต่ต้นพวกเราหลงเงื่อนงำตั้งแต่ต้นมันหลอกให้เรากินจินตนาการตรึกตองไปทุกคนว่าเกิดว่าตายจริงอยู่ว่าเกิดสัตว์เกิดสัตว์ตายอันนั้นเป็นแค่บัญญัติแค่สมมติมถ้ามันตายมันจีบหายไปปวงไปสิมันไม่ได้ตายจิตใจต่างหากเป็นฐานะที่ตั้งของเรา ถ้าว่าเราก็ดูที่จิตที่ใจคือมโนธาตุรู้เรื่องนั้นแล้วก็เรื่องนั้นมันดับไปต่างหากแต่จิตใ้ไม่ได้ดับไปตามเนี่ยแล้วมันก็เกิดใหม่เอาความเรื่องใหม่มาปรุงที่จิตที่ใจของเราอีกส่วนมากร้อยทั้งร้อยอยากจะว่ามันปรุงเพื่อผูกมัดเจ้าของนั่นหลหะหายาที่จะปรุงเพื่อความ รู้แจ้งแทงตรุในเยยธรรมทั้งหลายนอกจากมาเขี่ยวเข็นติวเข้มกับมันเพราะเห็นพิษเห็นภยัยขยาววยธรรมมาสังาราี่พรงษ์ท่านปุทสาประทานเป็นปัจฉิมโอวาทในครั้งพุทธกาลต่างอะไรกันที่พวกเราจะในปัจจุบันการจะยอมรับนับถือมาเป็นครอบประพฤติธปฏิบัติให้เห็นในความล้มเหลวของจิตของใจของเรา มันล่มเหลวเหลวแหลกลานไปเพราะความประมาทพลาดพรั้งเพลื่ อ, อประมาเดยนท้าประเด็จความไม่ประมาทน้ำ ต, ต่างๆเป็นช่องทางของความเจริญอย่าไปชิมหายล่มจมก่บความสิ้นความเสื่อมเพราะอย่างไรเสีย ม, มันก็สิ้นมันก็เสื่อมเพราะสังกัดธรรมมันปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไป เป็นอยู่อย่างนั้นล่ะคุณดูเราดิหายใจเข้าหายใจออกชีวิตหนึ่งมันกี่เหมือนกี่แสนกี่ล้านเที่ยวก่าจะตายน่าสงสารมไหมล่ะอาไทยวัตถุกเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตัตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาเป็นธาตนี้ไม่ได้หยุดพักแม้แต่หลับนอนพักผ่อนมันก็ยังทํางานตุ๊บตั๊บตุ๊บตับอยู่นี่แหละ หน้าที่ของเขาทุระของเขากิจทุระของเขาคือรูปธระมทา่า mm hmm. เขาออกแบบมาอย่างนั้น mm hmm. เป็นออโตเมติก hmm. เป็นธรรมชาติ mm hmm. อัตโนมัติ mm hmm. สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย mm hmm. ไม่มีช้อสายบ่ายค่ำไม่มี อะไรทั้งนั้นล่ะต้องทำหน้าที่ของเขาอยู่นั้นนั่นเลยว่าความเป็นหน้าที่ธุระขององค์ประกอบของขวัติฐานที่ตั้งของธรรมสถามจริงๆก็คือตรงนั้นแต่พวกเราเห็นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เห็นเป็นของไกลออกไปจากหลักของความเป็นจริงไกลออกไปไกลออกไปจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลธรรมะท่านวา่านิสโตนิชีวสุนโยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอันไรอยู่ในนั้นแต่เป็นเครื่องประทึงปัญญาเอามาพิิจพิเคราะห์ดูความเป็นจริงสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ลานี้ก็พวกพวกเราหลงมาแล้วหลงมาจากไหนไม่ทราบไม่ทราบเพราะมันหลงมาแล้วนี่อืมร่วมหลงความเป็น สัตว์เป็นสังขารเวลาทั้งหน้ายกคําว่าที่มันลงนี่แหละมาพินิษ์พิจารณาดูด้วยความมีสติมีปัญญายังไม่มีสติยังไม่มีปัญญาก็สร้างขึ้นได้เพราะเอการตั้งสติไม่ได้ตั้งไปลงทุนอะไรฝืนความคิดความปรุงหยุดความคิดก็กลายเป็นสติ เร่งปฏิภาคเร่งเขาจนกระทั่งกลายเป็นสติที่เข้มแข็งสมบูรณ์จนกระทั่งกลายเป็นมหาสติจะเป็นสติที่เข้มข้นจะเป็นสติที่พร้อมแก่งานจะเป็นสติที่เหมาะสมแก่การพิรูในพระสูตรท่านยกขึ้นถึงแบบสติปัฐานสูตร ความตั้งมั่นของจิตของใจความประลึกหรูความตรวจตราตรวจองดูความเป็นจริงท่านว่ากล่าวถึงว่าสัมมาสติหรือถึงส่วนที่มันมีอยู่จริงตามความเป็นจริงที่เราหลงนั่นหละไม่ต้องไปรลือกถึงเรื่อ ง, อ, งอื่นเหลือเฟือที่จะเพื่อรู้ก็ส่วนที่เราหลงเบื้องต้นก็คือหลงกาย เรามให้ใจฟอดแสบฟอดแสบอยู่เวลานี้เหรหลงส่วนนี้ล่ะอืจากนั้นมันก็หลอกให้เราไปเพิ่มความหลงแก่กล้าสมรรถจนกระทั่งกลายเป็นทุจริตกายทุจริตมโนทุจริตวจิตทุจริตทุจริ ต, ท, รตทางกายทางวาจาทางจิตทางใจก็าอาศัยหลุมหลงคายนี่ล่ะถ้าเราเอาสมมติฐานของความเป็นจริงกายะมีอะไรบ้างอืท่านเรียกว่าพิจารณาเรื่องกาย กายมีอะไรมีอะไรก็ธาตุธาตุธาตุดินน้ําลมไฟถ้าจะวตรส่วนของไตรลักษณ์เราก็เป็นไตรลักษณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีลักษณะที่มันตรงตามความมุ่งหวังของเราเรามุ่งหวังให้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นอย่างที่เราชอบก็คือความจีรังยั่งยืนความสดสวยงดงามความเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งมันปฏิเสธความหวังของเราทั้งนั้น ความเป็นจริงของเขาก็คือตรายลากัลกลักษณะมีอย่างนั้นอันนี้จังทุกขังนรตาเป็นประจำสัตว์สังขารไม่มีสัตวสังขารไหนจะนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านั้นนี่พระองค์ท่านออกมาตรัสยืนยันเป็นพุทธพจน์อย่างนั้นพระองค์ท่านจะอุบัติไม่อุบัติไม่สํคาสคัญสําคัญสรรพสิง่งเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นมาก่อนที่พระองค์ท่านจะออกมาอุบัติด้วยซ้ําไปเพราะเป็นประจำสัตว์สังขารก็คือลักษณะที่ว่านี้ ปาราวาภิเเวรสเพสังคารานิจาสเพสซังคาราดุขัสสเพธธรมะอนัตตาลักษณะของที่ว่ามานี้เป็นอยู่อย่างนั้นแต่พวกเรามาหลงความจริงกลายเป็นความจอมปลอมก็คือสิ่งที่เราเอามาฉาบทางหัวใจของฉองกิจแจของฉ่องอยากจะให้เป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นอย่างใดก็เลยทุกนั่นทั้งทั้งที่พวกเราอยู่กับกองทุก แต่พวกเราไม่ปรารถนาทุกมันก็เลยกลับกันอย่างไรเสียก็ได้แค่ทุกกองทาดของขันไม่มีอะไรให้หยิบยื่นให้ใครมีเฉพาะเรื่องราล่านี้ให้แน่ใจให้ลงใจวัดอย่าไปฝืนความจริงแต่สิ่งที่เป็นหนทางแก้ไขถอดถอนความทุกก็คืออะไรอืม พระองค์ท่านสอนเกี่ยวกับทุกสอนอย่างไรฟังพระสวดฟังท่านสวดหรือเราสวดสเสียงก็เป็นอย่างนั้นปริยยันติปริยาตันติกิจของทุกที่พระองค์ท่านกระทําครั้งพุทธกาลก็คือกำหนดให้รู้ว่าใครเป็นทุกอะไรมันทุกทุกมันอยู่ที่ท่าที่ขันทุกมันอยู่ที่ความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่เป็นปกติ แต่ความทุกข์ไม่มีชื่อไม่มีใครมาบัญญัติไม่มีใครจะมายัดเยียดให้กันเป็นลักษณะเดียวกันทั้งสามโลกกระท่านี้เป็นอย่างเดียวกันหมดจะรู้ไม่รู้ไม่สําคัญสําคัญอาการเดียวกันก็คือความอืตั้งอยู่แบบปกติไม่ได้ก็เลยตั้งชื่อว่าทุกข์มันไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันไม่ได้มาหยิบยื่น ฟืนไปให้ใครเนี่ยมันก็แสดงตัวถามความเป็นจริงอืมเหตุปรินามัธรรมังกัาลังนุตังสมานุปัสสติเตงมะมาเอสโซมัสมิเอโซเมยตาติโนเฮตังพันเตพระปัญจวัคคีทั้งห้าพรองท่านประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปอยู่นั้นธรรมจักรปวัตนสูตรที่ครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันอากาศต่างกันตรงไหน พระองค์ก็ประกาศเรื่องสัจจะเรื่องความจริงของสัตว์สังขารความสิ้นความเสื่อมวิปรีแปรลวนอยู่ตลอดแล้วจะมายึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรสมควรวหรือไม่สมควรพระเจ้าข้าเนี่ไม่ะปัญจวิคียังตอบได้ยังรู้ชัดตามความเป็นจริงที่พระองค์ตระสส่อให้เป็นพวกเราท่านทําไมดันทุลังพระรองค์ประสองค์อย่างหนึ่งพวกเราก็ปรารถนาอย่างหนึ่งมันเลยกลับกันมันไปคนละทางสวนทางเดินสวนทางกรรมะ เพราะเราทั้งหมดประสบพบาเป็นแต่ทุกทุกเพราะอะไรพรอเรามาแบกถามยึดถืออยากจะหนีจากทุกอยากจะปรลงวางทุกอยากปล่อยทุกอยากจะหนีจากทุกอยากจะแก้ทุกทุกมันทําอะไรมันได้ทุก็ต้องกําหนดว่าใครทุกทุกมันอยู่ที่ธาตุที่ขันร่างกายของเราสภาวะร่างกายนี้มีที่ส้างเป็นจากทุกไหมแต่ไปตรงไหนทุกตรงนั้นอืมปลายเข็มแหย่เข้าไปทิ่มเข้าไปตรงไหนเจอทุกทั้งนั้นล่ะ ไม่เคยมีที่ว่างที่เว้นจากทุกข์ร่างกายของเราทรวดสพร่งร่างกายนี้มีที่เว้นนี่ที่ว่างที่เว้นไห ม, มไม่มีนี่มีแต่เจอแต่ทุกข์มันแก้ไม่ได้แก้ทุกข์กำหนดให้รู้ว่าใครเป็นทุกข์นั่นหในวิปกิจรพระของที่พระองค์ท่านประสงค์ใช้เป็นก็คือกําหนดให้รู้ว่าใครเป็นทุกข์พระองค์ท่านไม่สอนให้แก้ทุกข์แก้ทุกข์แก่ยังไงเพราะทุกข์เป็นของจริงยิ่งกว่านั้นก็เป็นของจริงนําประเสริฐด้วยซ้ไป ประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะใครมารู้เห็นเรื่องความเป็นจริงเหล่านี้แล้วจะมายกจิตยกใจเข้าของพ้นไปจากวิกฤตก็คือความบกวนเวียดไม่ไ้ใจเกิดอืทําให้พระทัยของพระองค์ท่านเฉลียวฉลาดทําให้จิตใจของสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็คือมาดูกองทุกนันละ่ะกาหนดให้รู้สิปริยันติปริยัตันติพระองค์ท่านกําหนดลุลแล้วกาหนดรู้แล้วว่ากองทุกนันเป็นของที่มาอยู่ประจําสัตว์สังขารประจําธาต ออมีเอิดมีปั จ, จัยอใมเย็นร้อนอ่อนแข็งสะพัดสะพันอริยบทไม่ผ่อนคลายมันก็แสดงตัวอย่างนั้นมันผ่อนคลายได้เพราะอาริยบทมาปิดขัน้นมาบรรเท่าไม่ใช่เครื่องแก้ยืนเดินนั่งนอนบรรเท่าเพราะฉะนั้นเอคําว่ามรุสปติลาโผความได้เป็นมรนดกเป็นของที่ประเสริฐประเสริฐเพราะมันมีธรรมชาติหนึ่งมาผ่อนคลายได้ก็คืออริยบทของคนนั่นแหะ ไม่งั้นไม่เช่นนั้นโอ้ยไม่น่าดูไม่น่าอยู่ที่สุดก็คือร่างของมนุษย์นี่แหละเพราะมันทุกข์มากแต่มันบันเทาเบาบางได้ด้วยอริยบทนั่นใช่ไหมแค่บันเทาแค่ผ่อนคลายไม่ใช่แก้ทุกข์พวกเราก็เลยหลงประเด็นเข้าใจว่าจะหาทางแก้ทุกข์ที่จริงมันแก้ไม่ได้เพราะทุกข์เป็นของจริงสมมติทีญาอริยสัจจ์นั้นตันหักเป็นเครื่องแก้แก้ตรงที่ว่าความรู้อยู่ที่จิตที่ใจจิตใจ ค, ค, ค, ค, คือความรู้มโนท่าคือความรู้ แต่เวลานี้วาระนี้ความรู้ของเราเนะ่ะมันรู้ตามความจอมปลอมครี่มันเสี่อมสอนคือสมุทยัยมันสอนให้เราละทุกซึ่งมันไม่ใช่ธุระพระธรรมพระองค์ท่านสอนให้รู้เท่าทันก็คือจอเข้าไปนี่ว่าจอก็ไปด้วยอำนาจของคําว่าสติปัฏฐานาโสตรสูตรแห่งการตั้งสติก็คือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนา ือดูที่กายกายอย่างไรเสียจะเป็นอะไรก็ไม่พ้นความเป็นธาตุความเป็นตายรักเวทนาเล่าเป็นอะไรเวทนาก็เกิดระหว่างกายมีใจรู้นั่นเห็นไหมหล่ะ hmm. กายเป็นสถานที่เกิดแต่กายไม่รู้เพราะกายไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้มันอยู่ที่จิตที่ใจจิตใจเวทนาทุกเวทนาแก่กล้าสามารถก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาลำบากลําบนอะไรกับจิตกใจเพราะจิตใจเป็นนามธรรม เวทนาเป็นนามธรรมสิ่งที่มันเกิดมันเกิดอยู่ที่รูปธรรมรูปขันสถานที่เกิดก็คือก้อนคือขาขาส่วนใดส่วนหนึ่งก้นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั่วสัปพรางร่างกายเวลานี้มันทกทกเพราะอาริยบทปิดกัน้นทกเพราะนั่งทกเพราะดืนทกเพราะเดินทกเพราะปิดกั้นด้วยอริยบทใ ด, ดอริยบทหนึ่งหรือทกอริยบทหรือโรคภัยไข้เจ็บความรู้กับธาตุมันคนละอย่างกันนี่ ทำไมเรามาตื่นมากลัวทำไมเราเป็นธาตุของอย่างนั้นของอย่างนั้นมันอยู่ประจำเราไหมอื่ตอนที่เราอยู่ตอนแรกเราที่นั่งตอนแรกเราที่มาตอนแรกลักษณะอาการอย่างนี้มันไม่มีนี่ทุกเวลนาประเภทนี้ยังไม่มียังไม่เกิดพอทุกเวลานาหน้านี้มาตะกี้นี้ทำไมเรามาตื่นมากลัวเหมือนกับว่ายังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นทั้งทั้งที่เกิดขึ้นมาเจอหน้ากันมาประจำกายประจำใจ แต่เราไม่เคยดูสักทีเราเลยกลัวเราเลยอยากจะหายอยากจะให้มันหายอยาดูสิมันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะความอยากหรือไม่อยากของเราเนี่ยมันเกิดตามปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องก็คืออริยบทปิดท่านเย็นร้อนอ่อนแข็งเงาสัมผัสสัมผัสที่กายนู่นจิตใจเป็นผู้รู้จิตใจไม่ได้บกพร่องทุกหนี้เกิดหรือไม่เกิดจิตใจก็ไม่ได้เคยบกพร่องจิตก็คือผู้รู้รู้อยู่ขอน่านั้นมาอะไรนี่ ืมรู้ประจำสัตสังขารรู้ประจำวัฏสงสารรู้ประจําตัวก็คือผู้รู้ถึงไม่มีใครมารู้กับเราเราก็รู้เฉพาะเรานี่ยเราเอา้าท่านกว่าผู้รู้รู้เฉพาะตนนั่งอยู่ด้วยกันพทะเลาก็ยุดยกันเป็นหมู่คณะกับเวลานี้ไม่มีใครรู้ใครหรอกือมจิตเป็นนามธรรมที่ทรงธาตุอมตะธาตุก็คือความรู้ืมเป็นธาตุรู้พิเศษศักดิโกตรงที่จิตที่ใจมโนธาตุนั้น แต่มันเวลานิมวาระนี่มันมารู้เรื่องทุกเวทนาที่กายโดยเฉพาะที่กายของเราตายตายตายตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายทนได้ไหมเนี่ยเมื่อไรจะหยดุดสมน้ำหน้าของจริงมีอยู่กับเราแต่เราไม่เคยดูเพราะเราทุกปลภาพอ่อนด้อยด้วยสติด้วยปัญญา เราประสงค์ที่ว่านิพพานปัจจยโฮโฮตุติหอนาคเตกาเลยนู่นส่งไปอน า, าคตอน า, าคตการดูหน้าว น, นเถินปัจจุบันนัการไม่รู้หรอเวลานี้เราเป็นธาตุอารมณ์เรากัดหินกัดเพชรเพื่อรู้ว่าระนี้ภพชาติมันจะสั้นมันจะกดมันจะด้วนมันจะยุติภพชาติมันจะหมด โว้สิทางพระมัจจริยงพระองค์ท่านรู้รู้ความเป็นจริงสัตว์สังขารพราะองค่านไม่ได้ตาอะไรกับพวกเราท่านทั้งหลายยิ่งกว่านั้นพระองค์เป็นสุคุมราชาเป็นพระปรมาโพิสัตเป็นพระกษัตริย์บด้วยช้ําไปพระองค์ท่านเป็นสุคุมราชาเป็นวาระของพระองค์ท่านละเอียดเป็นสุคุมอืมสุคุมคำพิรภาพละเอียดอ่อนมากพวกเราอยากกล้าอย่างนี้ก็ยังทกพระองค์ท่านทกยิ่งกว่าพวกเราพระองค์ท่านยัง แบกไหวออกมาจนกระทั่งกลายมาเป็นพระบรมศาสดาซึ่งเป็นมหาศาสลาเอกของโลกเป็นเอกจริงๆเพราะไม่มีใครคิดเทียบกับพระองค์ท่านได้ไม่สามารถที่จะมารู้แบกไหวออกมาได้อย่างไรนั่นคือวัฒนธรรมบารมีพระองค์ท่านเพียบพร้อมด้วยบุญญาบารมีแบกไหวออกมาด้วยความภาคความเพียรวิริยะอุตสาหะภาคเพียรภาคเพียรอะไรภาคเพียรตั้งสตินั่นแหะ ตั้งสติเรืเร่อรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความทุกข์จ้องนกายเป็นมหารแตทกเข็นไหมละ่ะถึงขั้นสะด้งทั้งทั้งปริยานตนว่าจะตายก็ให้มันตายตั้งแต่หัวคำ่นำนายสดทิยาพามนับป่าเยาะคาให้แปดกำรร ม, มือเอามาเกลี่ยที่โพธิบัลลังก์ประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกปฏิยานตนขึ้นมาสัจจะ สัตยญาณิฐานว่าเลยสำทับก็ไปจะตายก็าตายจะไม่ลุกเห็นไหมละ่ะปันนั้นทุกเขเวทนาแก่กล้ามาเป็นอย่างไรพลมานเสนามานกว่าไปเราเชื่อว่าเป็นขันธมานที่ออกมาจากพระวรกายของพระองค์ซึ่งมีพระไทยกรมสำทับกันอยู่เวลานั้นมาระนั้นมันไม่ต่างอะไรจากเราเวลานี้หรอกแต่พระองค์ปิดกัน้นไม่ให้โอกาสมันตายก็ตายสิเห็นไหมละ่ะ เอาเข้าเขากลายเป็นกลุ่มรุมมาเป็นไฟสมสวงสมพระวรากายของพระองค์ท่านจนแรงจะทนไม่ไหวคำว่าพระหัตขวาออกมาจากพระเบื้องต้นเป็นอย่างไรนั่นเลยปรางรุ่งมานที่พวกเราเห็นไหนในเขาทำว่าพุทธปฏิมาที่ในช่างเขาปั้นมาให้ดูพระองค์ท่านถึงคำว่าหลุดออกมาขนาดนั้นนะนนี่ขนาดบารมี สมมูลขนาดนั้นก็ยังขนาดนั้นคิดดูสิกิเลสไม่ใช่ของแย่งนะกิเลสเป็นของจริง ท, ที่ทัศน์เธอจะมาหรือเธอกลับบ้านเดี๋ยวนี้เธอก็จะเป็นพระบรมบดิตจะเกิดจักรพรรดิราชแนละ้วพระิจดาก็รอใครก็รอเธอมาทนทุกทรมานอยู่ทําไมนั่นเห็นไหมล่ะมันมากล่อมอะไรมาก่อบล่ะก็ขันธมารนล่ะขันธ์ก็คือความคิดความปรุง ก็คิดปรุงเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่ล่ละไม่ได้ต่างอะไรกันนักหนาหรอกคิดอ่อนเอคิดไปเพื่อวอกวนคิดไปเพื่อวัฏสงสารคิดไปเพื่อเป็นธาตสังสารจากักรเหมือนที่สัตว์โลกทั้งหลายเป็นกันแต่พระองค์ท่านเขี่ยวเข็นมาจะถึงขว่าสัจจะประมัอษษษษทิฏฐานบารมีก็ว่าตะกี้นี้สมทับลงไปตอนหัวคําเธอจะเป็นโมฆะบุรุษอะไร ตายก็ตายสิว่าแล้วเนี่ย้าก็ยอมตายสิทํามาแค่นี้พอที่อานแค่นั้นสมประสงคสมปรารถนาของเราเย็นแม่ละพระองค์ท่านนี้ย้อมกลับประมาณที่บัลลังสมาธิได้อีกเห็นไหมนี่ความเรว่าผู้มีบุญมีเพียบพร้อมขนาดนั้นปานนั้นก็ยังเจอสแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านก็ไม่เด่งมาง่ายเป็นไปยากๆเป็นไปแบบรอดเป็นรอดตายสลอกสลายไม่ตายก็คือได้ทํพาพระองค์ท่านทั้งหลายใกล้เฉียดไปขนาดนั้นไม่ได้ใกล้หรอก ชนะนางคัตฉามีมีแต่จะตายตายตายตายเนยเลยกลัวตายเลยเลยตายแล้วตายเล่าตายแล้วถ้าอีกเออถ้าพุทธิยศสิ้นสุจิติไม่ต้องการพบชาติก็ต้องเด็ดเดี่ยวพังอืความสิ้นความเสื่อมความอัดอหานองอัดกระสานกระาหานกัดหินกัดเพชรขึ้นมาเอาตายก็ตายสิจะดูดูหนังหน้ามันดูน้ำหน้ามันที่มันมากล่อมเราอะไรนักหนาล่ะเลยจากนี้มันจะเป็นอะไรเออเห็นมาทุกวัน ไอความทุกกับเวทนาเนี่จะตายจะตายเวลานี้มันตายจริงหรอือนักปราท่านกิเลสมันตายแต่เราไม่แต่ตายท่ามกลางกิเลสมันหัวเราะร่าเริงยิ้มร่าอยู่ตลอดเปล่าเวลาแล้วก็เป็นผู้แผ้ทุพพลภาพอ่อนแอสลดจิตสลดใจไหมนั่นเห็นว่ามันน่าสลดจิตมันน่าสลดใจนู่น เขาจัดทัวร์ไปสังเวยในเชื้อสถานไปแล้วเสียเงินกี่หมื่นมันน่าสลดจิตตรงที่เราไม่เป็นท่าเนี่ยมันนี่มันมีคุณภาพมากกว่าไม่ต้องไปไกลหรอกนั่งลงด้วยนึก็เห็นความไม่เป็นท่ า, าของเจ้าของเรืองนี้สลดจิตตรงนี้มันจะได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมายากเจ้าของขึ้นไปบูชาพระธรรมอันพี่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วก็คือทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังทุก ก็เป็นของจริงมันละไม่ได้สมุททยาหริอยัสจังก็ของจริงแต่มันละได้ละตรงนั้นละละที่มันมาครอบงำหัวใจเราน่นแหละจิตใจของเราคือมโนธาตุก็รู้อยู่นี่มันไม่ได้ปกคร่องนะทุกนี้ไม่เกิดมันก็มีความรู้อยู่ทุกนี้เกิดก็ไม่ได้มาเพิ่มมาลดทุกนี้มันเกิดเพื่อรู้มันไม่ได้เพื่อเกิดเพื่อให้ใครหลงเนี่ยแต่เราสิีกเป็นธาตุของมันก็คือหลงเพราะอะไรเป็นประจำสัตสังขารมันหลอกเรากล่อมเราเพลงเดียว รั่เดียวก็คือความเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ทำบ้างมันก็เอาชนะขะขานกันบ้างเราอย่างน้อยก็ฝืนฝืนฝืนฝืนวันแล้ววันเล่าวันแล้วเราจนกระทั่งกลายเป็นมันจะเรื่อนมันจะราบมันจะราบเรื่อนมันจะเป็นนากล่องมันจะเป็นความรู้เพื่อรูจริงจริงอ๋อที่แท้เราเรากลัวเองนี่ดูรอบแล้วมันก็ไมันไม่ได้มาขบมากัดเรานะทุกเวทนาเนี่ย ดูจริงๆดูด้วยความอยากรู้จริงๆที่ทุกหน้าไหนมันมัดก็อยู่ที่กายนั่นมันไม่มีธาตุรู้ในตัวด้วยสามไปมันมาอาศัยเราโดยสามไปทุกเวทนามันอยูดที่สถานที่เกิดกูอยู่ที่สะพางร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ผู้รู้ก็คือจิตคือใจแต่มันไปปรุงแต่งมันมามัดนันขวัดสมุทธยะ ก, ก็ต้องนั้น มันมามัดหัวใจของเราไปติดกับกองทกสำคัญว่าเป็นเราทกเขาเนี่นั่นเยว่าตรงนั้นลหละทีาว่าเป็นสมุทยัยแก้ได้ตรงนั้นก็คือแก้ที่ว่ า, พาเพียรณาเวทนาโนปรนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเพราะเวทนาเองก็ไม่ได้เวเกิดขึ้นมาเพื่อจะทำร้ายทำลายใครเกิดขึ้นมาตามปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องอยายตนะมันสัมผัสสัมผัสกันมันต้องเป็นธาตรู้ขึ้นมา แต่รู้ขึ้นมากับเพื่อรู้ไม่ได้เพื่อหลงนี่มันไม่มีความบอกประกาศเปีย้ยงว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเอาความเคยชิมความอ่อนแอความทุพพลภาพของเราเราไม่อยู่ในสภาพที่จะเป็นอริยสาวกสาวิกาของพระองค์ท่านเป็นผู้อ่อนด้อยเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้ทุพพลภาพฟิตขึ้นมาสินั่นเห็นไหมเ่า มักคัสัจจะที่พระองค์ท่านประทานาเอาไปทิ้งไว้ไหนสัมมาสติถึงสัมมาสมาธิยกขึ้นมาบูชาธรรมยกขึ้นมาหัว ห, ห่อหุมจิตใจของเราบ้างสิดูเข้ามาสัมมาสติออสติรักษาจิตรักษาใจก็อย่าให้มันบอกแวกคลองแคนไปหาอารมณ์ที่นั่นมันเป็นสัญญาอาดีตและอนาคตคือสังขารสองตัวนี้ตัวการวุ่นวายตัววุ่นตัวชุ่นช่างก็คือสัญญาและสังขารซึ่งก็เป็นองค์ประกรอบหนึ่ง ในจำนวนห้านั้นสัญญาขันก็คือมันไปคิดว่าจะของหนักแล้วสัญญาขันก็คิดว่าจะของจะตายแล้วเอาสองส่วนนี้มาเล่นเกมของมันก็คือสัญญาและสังขารจิตใจของเราก็เลยเข้าใจว่าเราจะตายจริงๆาตายแค่ไม่ตายสิ่ตายบูชาธรรมตายสักตั้งนะองมันจะได้พบชานลิล ก, กุดเดือนทุกข์ แต่พวกเราไม่สู้เพราะอะไรเพราะพวกเราอ่อนแอทุกพลาภาพอย่างที่ว่านั้นนักปราบที่ได้ความเป็นเลิอด่วนมากแทาจะว่าร้อยทั้งร้อยไม่ได้มาแบบประเภทชุบมือเปิดเอาความเชิดชูบูชาจริงๆเอาตายตายตายก็ตายหมดทางไปแล้วหรอมีอยู่ทางเดียวคือทางดำเนินไปตามช่องนี้เพราะ ถ้าไม่ลุยไปจุดนี้มันจะเอาอะไรมาทําให้รู้มันจะอะไรมาทําให้เบื่อเบื่อเจ้ากรงกลายเป็นนิพพิธามันไม่ได้เบื่อธรรมดากลายเป็นมันจะมันไม่รู้จะว่าอธิบายยังไงครับว่าเบื่อแบบนี้พิธามันคลายออกคลายออกมันเบื่อมันหน่ายเพราะอะไรเพราะความหลงมาก็หลงมาประจําล้ะแอ่ความรู้ก็เกิดขึ้นมาไปโอ้โหนาสลดใจ สนุกดีตลอดใจเจ้าของไปเก่าไม่ถูกที่คันกิจของสมุทัยท่านสอนให้ละละเพราะเอาความจริงเข้าไปผ่านละไม่เอาความดำทุรังเนี่ยเอาความจริงก็คือรู้ยิงตามความเป็นจริงว่าจิตมันเป็นอิสระโดยปกติของมันอยู่แล้วแต่มันไปเป็นธาสเพราะเราไปเอากิเลสมาครอบมามใจก็คือสมุทัยสมุทัยมันมีอะไรพอที่จะเชื่อถือได้มั้ง เธอเยออทยานอยากไหมแม่กิเลสฐานสวะการมาสวะพระวสสาอวิชชาสวามีแต่เครื่องเธอเยอทยานชายานอยากไปตามสิ่งที่ไม่มีความเป็นจริงรองรับอยากดันทุรังอยากกระทั่งสิ่งที่เป็นไปไม่น่าอย่างที่ว่านั้นปัณ น, นั้นเราก็ยังจะไปเป็นทาตมันเหรอืมเราะเป็นาธาตธรรมะซึ่งเป็นความจริงความสัตย์ความจริงอยู่ที่ธรรม นั่หหน้าที่ของเราก็คือยกมครคสัจจะขึ้นมาทำหน้าที่กิดของเราทำหน้าที่ของเราตามความที่ควรจะทำกิดของทุกก็อย่าเป็นละทุกกิดของทุกก็กำหนดให้รู้กิดของออืนิโรธไม่ต้องไปทำอะไรนิโรธเราทำหน้าที่มักยก มักขปฏิปทาขึ้นมาดําเนินเรื่องตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิก็อย่างที่พระอรหันทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วนนะัล่ะแต่เรื่องราวทั้งหลายมันอยู่ที่เราปัญหามันอยู่ที่เราอ่อนแอหรือเข้มแข็งเราต้องฝึกฝนอบรมบ้างวิริเยนะทุกขมัติเจติบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความภาคความเพียรเพียรละบาปเจริญบุญยังพยายามยกฝ่ามือขึ้นมาเพื่อใช้งาน หลังมือมันจะตกไปกิริยาการอย่างนั้นละ่ะท่านว่าเป็นกิริยาการนักปราดจอมปราดขั้นทํากันเอมื่อประสงค์ดีก็จะของแล้วก็เอคว่ำ ม, มือลงไปงอมืองอเท้าก็หาว่าจะของไม่ได้อะไรมันจะได้อะไรเพราะหลุดหมายหลุดมือเพราะไม่ยกฝัามือขึ้นมาท่านเรกว่าความเพี้ยนเพียนในสี่สถานเพียรละบาตรเจริญบุญเพียนแล้วแล้แลลจนกระทั่งกายเป็นคุณภาพจิตใจมีคุณภาพมีคุณค่ามีอนิสงส์ตอ เรื่อ ง, องของเจ้าของจะเห็นคุณภาพจะเป็นคุณค่าของเจ้าของมีระค่ําราคาขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเรียกว่ามรรคปฏิปทาจะเป็นอย่างนั้นเนิน <G ül> ผลปรากฏกลายเป็นนิโรดนิโรดไม่ต้องไปทําความสว่างความมืดเป็นข้าศึกศรรัตรูต่อกันและกันเราไม่ได้ไปไล่วความมืดเปิดไฟขึ้นมันก็สว่างในขณะเดียวกันมุมกลับกันปิดไฟปั๊บมันก็มืดกลับมาอันนี้เหมือนกันล่ะ <G ül üyor> ทุกข์ น, นิโรธ ไม่ต้องไปทำอะไรเราไปทุกขนิโรธทักคนีปฏิปทาปฏิปทาเครื่องดำเนินของเราถึงว่ายกตัวนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องดำเนินสรุปกลับมาเป็นพิธีปฏิบัติก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องของทำกายให้ปกติทำวาจาให้ปกติทำจิตให้เป็นปกติปกติตามสิ่งที่ควรจะเป็นอย่าเอาความอยากความดันทุรังของเจ้าของซึ่งมันมีมาก ไม่มีใครจะยิ่งย่อนไปกว่ากันต่อความยากอยอมมาอวดทำเอาความจริงเอาความมุ่งมั่นที่จะรู้จริงตามความเป็นจริงเ อ, อเราทําอะไรไม่เป็นก็ตั้งสติเป็นนี่นาธรรมะมาติกาพ่อแม่แห่งธรรมทั้งหลายก็คือสตินั่นละ่ะธรรมะจะได้คลอดธรรมะจะได้อุบัติธรรมะจะได้เกิดที่จิตที่ใจ จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเวลานี้มันเป็นฐานะที่ตั้งของธรรมอยู่แล้วละ่ะแต่พวกเราไม่อุปถัมภ์ขำชูขึ้นมาโดยมีคํำว่าธรรมะมาจิกาคือสติตั้งขึ้นในทุกคนแต่มันขี้เกียจมันขี้เกียจเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างหนักจริงก็คือธุระของสมุทยัยสมุทยัยมันมีกําลังแก่กลา้าที่จะมาห้ามหันกระทําทั้งว่าเวทีของเราคือเวทีจิตทีใจมี กระบวนการขึ้นมากระโดดโลดเต้นก็คือธรรมะและอธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์ยิ่งกว่านั้นเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยนิสัยวัสนาพร้อมที่จะเอะรู้ตามที่พระองค์ท่านเสี้ยมสอนทำรร ม, มนุษธรรมะปฏิปติทำย่อมให้ผลสมควรแก่ธรรมสาหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นๆไม่ได้ว่าจะยากดีมีจนไม่ได้ว่าจะหญิงหรือชายนักบวชหรือฆราวาสขอให้สร้างเหตุสมผล ปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญต้องสร้างเหตุแห่งความสุขสร้างเหตุแห่งความเจริญความสุขความเจริญจะไม่ไปไหนไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเกียวกับเวลา